การท่องเที่ยวของกายทิพย์ในระหว่างที่กายเนื้อหลับในตอนที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงว่ากายทิพย์ได้ออกจากกายเนื้อในระหว่างที่กายเนื้ออย่างลงสู่ความหลับและสามารถท่องเที่ยวไปในสถานที่บางแห่งในโลกทิพย์ได้นั้นอันที่จริงก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นได้ทุกรายไปเพราะทางนี้ยอมสุดแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเป็นรายรายไป แต่ในคราวใดที่กายทิพย์ไม่ได้ออกท่องเที่ยวไปไกลจากกายเนื้อในคราวนั้นกายทิพย์จะวนเวียนอยู่ใกล้ๆ ก, กับกายเนื้อนั่นเองจนกว่าจะถึงเวลาที่กายเนื้อตื่นจากความหลับใหม่แต่ในบางรายความต้องการที่จะไปสู่สถานที่แห่งอื่นในระหว่างหลับมีมากเหลือเกินซึ่งทั้งนี้ก็ยอมสุดแล้วแต่รสนิยมของแต่และบุคคลและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อันที่จริงการเดินทางไปเยี่ยมเยือนโลกทิพนั้นโดยมากมักจะมีความประสงค์อันสำคัญอย่างอื่นเป็นเครื่องประกอบอยู่ด้วยและในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยวิธีดังกล่าวมานี้ก็มีประโยชน์ที่จะพึงได้รับอยู่หลายประการด้วยกันบุคคลที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกทิพด้วยวิธีดังกล่าวมานี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลกทิพดีพอและต้องการจะเพิ่มพูนความรู้ของตน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในระหว่างการเดินทางในขณะหลับนั้นเขาจะได้พบญาติและมิตรหายเก่าๆที่ได้จากมาสู่โลกทิพย์ก่อนเขาและก็จะได้สนทนากันได้ผูกมิตรและมีความสนิทสนมกันใหม่เหมือนดังเดิมแต่อันที่จริงควรจะกล่าวว่าความสัมพันธ์ในฐานะญาติและมิตรเช่นนั้นได้รับการสืบต่อไปจากเดิมมากกว่าเพราะตราบใด ที่ทั้งสองฝ่ายยังระลึกถึงกันและการอยู่แล้วความสัมพันธ์จะไม่มีวันขาดสะบ้าลงได้เลยและในระหว่างที่ได้มีการพบปากกันนี้เองบุคคลผู้ยังอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์นานาประการจากบิญญาณของท่านที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปซึ่งยอมจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ไกลกว่าและลึกซึ้งกว่ามนุษย์สามัญท่านคงจะเคยได้ยินบุคคลบางคน เมื่อเกิดปัญหายุ่งยากในบางประการซึ่งเขาหาทางแก้ไม่ได้ก็มักจะกล่าวว่าเห็นจะต้องนอนหลับคิดเสหน่อยสำนวนในภาษาอังกฤษคือ sleep on the problem และโดยมากเมื่อเขาตื่นขึ้นในเวลาเช้าเขาก็มักจะได้ทางแก้ปัญหานั้นดีขึ้นกว่าเดิมในกรณีดังกล่าวนี้ส่วนมากเป็นเพราะบุคคลเหล่านั้นได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้สามารถในทางนั้นๆในระหว่างที่ตนหลับอยู่นั่นเอง แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นทุกรายไปเพราะบางรายก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นหรือไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ในระหว่างหลับมีบุคคลเป็นจำนวนหลายร้อยที่สามารถติดต่อ ก, กับพวกเราในโลกทิพย์ได้ในระหว่างที่เขาหลับเขาได้มาเยี่ยมพวกเราณที่นี้และโดยอาศัยความรู้ความสามารถของเขาเหล่านั้นเองทาให้เขาได้เป็นผู้ช่วยเหลืออย่างดีของเราน า, นานาประการ เขาได้เป็นสมาชิกชั่วคราวในสังคมของเราได้เข้าร่วมบันเทิงสนุกสนานกับพวกเราและได้เข้าร่วมดําเนินการบางอย่างกับพวกเราด้วยและด้วยวิธีเช่นนั้นเขาก็ได้อบรมจิตของเขาให้สูงส่งและประนิตขึ้นโดยลําดับนับว่าเขาเป็นผู้ที่ได้เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นอันดีสําหรับดินแดนซึ่งวันหนึ่งเขาก็จะต้องได้มาสวยสุขอยู่อย่างท้าวรตลอดไป ในที่นี้คือความเชื่อของท่านผู้เขียนซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับเพราะไม่มีสวรรค์ที่ไหนที่จะอยู่ทาวอได้ท่านลองนึกดูก็ได้ว่าพวกเราจะมีความปรีติยินดีสักปานใดในเมื่อบุคคลผู้เป็นที่รักใคร่ชอบพอของเราได้ได้เคยมาเยี่ยมเยียนและร่วมงานกับเราเป็นครั้งคราวนั้นบั น, นี้จะได้มาอยู่กับเราเป็นประจา โดยจะไม่ต้องจากกันกลับไปกลับมาอีกต่อไปความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลกหน้าที่เขาได้รับและสะสมไว้นับเป็นเวลาปีๆในระหว่างที่ยังหลับอยู่นั้นอาจจะไม่ปรากฏแจ่มชัดในจิตสำนึกของเขาเองในขณะที่เขายังตื่นอยู่ก็ตามแต่นับตั้งแต่เมื่อเขาได้ละทิ้งกายเนื้อมาแล้วมันจะปรากฏเด่นชัดและเป็นประสบการณ์ที่จะอานวยประโยชน์ให้แก่เขาเป็นอย่างยิ่ง ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวมาจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้มีชีวิตสืบต่อมาจากโลกมนุษย์โดยไม่ได้ขาดตอนเลยซึ่งจะเป็นการดีกว่าที่เขาจะต้องมาได้รับคำแนะนำพร่ำสอนกันเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้อีกบุคคลที่เฝ้าแต่เศร้าโศกถึงญาติมิตรอันเป็นที่รักซึ่งได้ตายจากกันมานั้นควรจะเบาใจได้แล้วในเมื่อทราบความจริงว่า เขาสามารถไปมาหาสู่กันได้เป็นครั้งคราวเหมือนกันในระหว่างหลับมีบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยที่ได้ประสบความทุกข์อันเกิดจากความพลัดพรากกันดังกล่าวเมื่อได้นอนหลับไปพักหนึ่งแล้วพอตื่นขึ้นในวันต่อมาเขาก็รู้สึกได้รับความโล่งใจและรู้สึกว่าความทุกข์หรือความอาลัยที่มีอยู่แต่เดิมนั้นบรรเทาลงไปได้อย่างประหลาดและโดยที่ตนเองก็คิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ด้วยประการใด นี่ลหละเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการติดต่อระหว่างผู้ที่มีความผูกพันทางใจในโลกมนุษย์ฝ่ายหนึ่งและในโลกทิปย์อีกฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถกระทําได้จริงๆในที่นี้คือเป็นบางครั้งแต่ความรู้สึกโล่งใจดังกล่าวมาแล้วนั้นก็เป็นเพียงเปรียบเสมือนผลพลอยได้อย่างหนึ่งเท่านั้น <c oughs> เมื่อเทียบกับความรู้ที่จะได้รับในขั้นต่อไปเกี่ยวกับโลกทิพ เพราะเมื่อบุคคลเกิดความรู้สึกแน่ใจว่าผู้ที่เป็นที่รักของเขาซึ่งได้จากไปแล้วนั้นหาได้จากไปเลยไม่ก็ยอมจะได้รับความอุ่นใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องได้พบกันใหม่และความเศร้าโศกอาลายัยก็ยอมจะบรรเทาลงได้ด้วยอำนาจแห่งความหวังดังกล่าวแล้วแต่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่กว่านั้นจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ติดต่อกันได้เองโดยตรง และจากนั้นเขาก็จะได้ตระหนักถึงความจริงได้ว่าความตายไม่ใช่เป็นความสิ้นสุดของชีวิตแต่อย่างใดเลย